อา ب ح ن ا و ب ِ ك أمسينا و ب ِ ك نحيا و ب ِ ك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ِ ك مستطعت أبوه لك ب ن ع ْ م ت ك ع ل ي ّ وأبوه بذنبي ฟากิดล <S ess> ี فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นที่รวมนมาศกหรือว่านมาศฟที่รักนักหลายคอบุที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาที่อัลลอฮฺให้เร ได้มีโอกาสทบทวนอัลกุรอานอาทิตย์ละครั้งวันอาทิตย์หลังนำมาซุปทุกวันขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอ์ได้ให้เราเนี่ยเข้าใจอัลกุรอานแต่ถ้าเราท่องจำนะเข้าใจทั้งหมดแลวไม่ลืมนะนะโอ้โหได้ความรู้เยอะมาก แต่มีส่วนใหญ่ก็มากจะลืมๆนะไม่เป็นไรพี่น้องขอให้เราได้ยินได้ฟังได้เข้าใจนี่เวลาท่านพี่น้องอ่านอ่านกุรานเนี่ยต้องนึกถึงนบีมุฮัมมัดแล้วก็นึกถึงตัวเราเอากุรานเนี่ยมาแปะตัวเราเองเอาความหมายความอัลนคุรานที่เราอ่านเนี่ยมาม า, ม า, ม, ามาแปะตัวเรอยาอย่ า, อ ย, าอย่าไปแปะชาวบ้าน แปะตัวเราว่าเราในปฏิบัติตามมรสกุรอานได้มากด้อยแค่ไหนแล้วเรากำลังเรียนกำลังทบทบทวนในซุร่าอิสลร์อิสร์เนี่ยแปลว่าการเดินทางในเวลาค่ำคืนส่วนหนึ่งในเวลาค่ำคืนใครเดินน่ะนบีมุฮัมมัดสุลอสลมจากนครมักกะ ไปที่นครยมเมืองเยรูซาเล็มวันนี้ยิวยึดหมดแล้วแต่ผู้รักก็ยังเข้าได้แต่มันก็ทำช้าจะตรวจอะไร อ, อะไรช้าสีพ้าทชั่วโมงกว่าจะเข้าได้แกล้งด้วยอะไรด้วยสารพัดอิสระนบีเดินทางจากนาครมักกะ ไปกับท่านยิบรินนะโดยชย้บุรอกเดินทางในคืนเดียวไปเมืองเยรูซาเล็มน่นสมัยนั้นต้องใช้เวลาเดินทางเป็นเดือนแต่นบีไปไปแล้วก็กลับและขึ้นข้างบนด้วยเข้าเฝ้ า, าองลอลสุภ า, านะหวนนาละทีนี้อายะที่เรากำลังจะเรียนวันนี้เนี่ยขอทบทวนเรื่องเก่าหนึ่งอายะพอ คืออัลลอฮ์ได้บอกกับนบีในอายะฮ์ที่70 77นะ76ว่าอินกาดูลายัสตาฟิซูนแกมินัลอาร์ดีใครก็ตามที่ไล่นบีออกนบีเนะี่ยมีบ้านอยู่ที่นครมักกะแล้วก็นบีก็ถูกแต่งตั้งให้นำเอาอิสลาม ม, มาสอน พอนำเอามาสอนเนี่ยชาวบ้านไม่พอใจทำไมไม่พอใจเ่เพราะว่าคำสอนของนบทีที่อัลลอฮ์ให้มาน่เป็นคำสอนที่ชาวบ้านเขาไม่เคยได้ยินเอ้าเช่นอะไรบ้างชาวบ้านก็บูชารูปเจเวตกันในกะบ้านน่ะมีประมาณสามรอยหกสิบรูป แล้วก็นบี ม, มุ hammad เนี่ยได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นนบีเมื่อบอกว่าให้เลิกให้หมดให้เคารพภาคดีอัลลอฮ์องเดียวรับได้ไหมละ่ะลออีเลฮะอิลลอฮตรงนี้แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรจะ ก, การเคารพภาคดีนอกจากอัลลอฮ์องเดียวหมายความว่ารูปเจ้าเวทในกาบะสามร้อยหกสิบนั่นทิ้งให้หมดหันมายึดอัลลอฮ์องเดียว แล้วใครรับไหวแตบบ่พวกเราวันนี้ในปัจจุบันนี้แหละวันนี้พูดเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องอัลลอ์จริงๆใช่ไหมใช่ไอ้คนที่ไปหาโตตะเกียร์อยู่พอใจไหมก็ไม่พอใจคนที่เวลามีปัญหาลูกชาิจะถูกทหารไปหาโตระยองไปหาอะไรแต่อะไรเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ตามแต่เอาตะกงตะกุด แล้วคนที่จะแต่งงานไปดูเลิกดูยามดูมงดูหมอพอนบีมาพูดอย่างนี้หรือเราพูดอย่างนี้กับคนในหมู่บ้านไม่มีใครพอใจเราเนี่ยเนี่ยพวกนี้นํำเอาอะไรมาสอนมันไปขวางกับความอะไรนะภาคปฏิบัติเก่าๆประเพณีปฏิบัติของชาวบ้านทต่ี้นบีมามาก็สอนสอนประมาณอยู่กี่ปีนัะขอนมาการสิบสามปีอยู่ไม่ได้ต้องกบพยพ ทนในอัลกุราอานอายาที่เจ็ดสิบหกเนี่ยอธิบายอย่างนี้ใครที่ไล่นบีมุฮัมมัดออกจากมักกะเขาจะถูกลงโทษอยู่ไม่นานเราจะต้องถูกลงโทษจาก AH. าอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาละเอาถามว่าคนมักกะเนี่ยถูกลงโทษยังไงตอนไล่นบีออกจากนครมักกะเนี่ยวันที่นบีอพยพ ก, กัขอเล่าวเดนึเดนนบีไปหาใครนะ ท่านอบูบักรดิยลอหุงอันแบบแอกมันไปนสองคนอัลลอฮ์คุ้มครองทั้งหมดไม่มีอันตรายแต่เหนื่อยั้ยเหนื่อยพอนบีออกไปแล้วประมาณสองปีครึ่งเกิดสงครามบัดัดนี่ไงแผงคันของอัลลอฮ์เกิดสงครามบัดัดคนนครมักกาเนี่ยคนมุชริกีน กาฟิร์ในนครมักกะที่ต่อต้านนาบีนะรวมตัวกันได้สามพันคนเพื่อที่จะเล่นงานนาบีนู่นตามทะเลาะกันนบีที่นครมดิน่า น, นั่นนะ่ะนบีมีทหารอยู่สามรอคนเป็นซอฮาบ้านนบีทั้งหมดนะ่ะคนที่ลมาดครบห้าเวลานี่แหละตกเป็นทหารแล้ววันนั้นนะ่ะเพื่อปกป้องศาสนาแล้วคนกาเฟรที่นครมักกะทิตราานะะร้ายสามพัน นบีสามร้อยอ้าวไปทดลนึกภาพดูสิมันจะเหลืออะไรล่ะถา้ถ า, ถ า, ถาจะถ้าจะถ้าจะสงครามกันมันก็แพ้คนสามพันอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าการสงครามวันนั้นนบีชนะใช้คนสามร้อยคนชนะคนสามพันคนนี่ไงเหตุการณ์ที่หนึ่งที่ว่าคนอาหรับจะต้องแพ้ในสงครามจะต้องตายในยสงคราม แล้วก็ตาเปคนระดาผู้บริหารผู้ใหญ่ๆเนี่ยประมาณเจ็ดสิบคนนี่ถูกฆ่าเลยแต่ของฝ่ายนาบีไม่มีใครเป็นเป็นอะไรเลยอัลลอฮ์ส่งมลาอิกามาช่วยด้วยนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าคนอาหรับในนครมกักกะถูกอัลลอฮ์เล่นงานเล่นงานแบบนี้แบบสงครามนี่และอีกเรื่องหนึ่งหลังจากันอีกแปดปีอีกแปดปี <c oughs> นบีเข้าไปยึดนครมักกะนี่องความเสียหายที่เกิดขึ้นในนครมักกะก็คือนบีเข้าไปยึดนครมักกะเลยแบบอเมริกายึดอิรักคล้ายๆกันแต่อเมริกาไปทาลายไปยึดบอ่อน้ามันไปขุดน้ำมันแล้วก็ไปเข็นฆ่าซุนนีเอาชิอาขึ้นมาแทนของนี่ขอใครนะของของอเมริกา แต่ของอัลล์นบีมุ h oh a m m น่ะพ ย, ยึดนครมกาเสร็จรู้ไหมอะไรเอารูปจรเจวสามร้อยหกบรายการที่อยู่ในกาบาเนี่ยนบีบอกเอาออกัหมดท่านอบูบาบเป็นคนจัดการเป็นคนเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นเห็นยังอ่ะนบีมุ h ม m m เนี่ยเข้าไปยึดนครมกาเนี่ยไม่ใช่ไปยึดทองไม่ใช่ไปยึดบ่อน้ำมัน แต่ไปยึอดจะไดนะไปเปิดหัวใจคนให้รู้จักอิสลามรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาบูตะลาต่างกันทําสงครามระวังนบีกับคนทั่วๆไปต่างกันเพราะนาบีมูฮัมมัดไหนไปอยู่ที่ไหนก็นตามไม่เคยฆ่าคนไม่เคยทําลายคนแต่จะไปสอนอิสลามให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักรอซูลให้กลัวในโลกอาคีรอแล้วก็ตายมีการลงโทษไปสอนครับเข้าใจเรงอิสลาม นี่ไงมักกะแพร์ทำไมจึงแพ้ก็เพราะนี่ไงไปไล่นบีออกจากนาครมักกะนี่อัลลอฮ์เล่านักบีญกุรอานให้เราคิดอ้าวคิดยังไงเราก็ได้ข้อคิดแต่วันนี้อัลล์ให้เราดูแลบ้านเรายกตัวอย่างมีภรรยาเรามีลูกอ้าวให้ดูแลกี่คนสิบคนนึกถึงซุนา่านาบีสินึกถึงนบีนบีดูแลมักกะคนเป็นล้าน อันนี้ดูแลสิบคนดูแลไหวไหมล่ะนบีดูแลไหวแต่เราบางคนก็ไหวบางคนก็ยังปวดหัวอยู่นี่นบีดูแลคนมักกา์หมดเลยเป็นล้านเห็นไหมนบีทำเป็นแบบมนเห็นแล้วรอพอใจแล้วเราเนี่ยดูแลเฉพาะครอบครัวเรามาดูแลให้ดีดูแลยังไงอย่าให้มีลูกเจวตในบ้านก่อนเพื่อนเลยทำไงต้องเคลียออกให้หมดนะ อันนี้เมื่อรูปเจเวตไม่มีใจก็ต้องไม่มีรูปเจเวตอยู่ในใจด้วยนะเงินสําคัญชื่อเสียงสําคัญเกียรติยศนี่เป็นชีลิตทั้งหมดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมบางคนว่าบ้านฐานต้องมีเงินเป็นล้านต้องมีที่ดินเป็นพันไร่ท่านนึกอย่างนี้ไม่ได้นึกถึงอิสลามไม่เอาอิสลามนําหน้านะไม่ประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ไม่เอาอิสลามนําหน้าไม่เอานามาดนําหน้า ไม่เอากุรานนำหน้าไม่เอาสูตรหน้านาบีนำหน้าถามว่าบ้านแล้วเหลืออะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนกาเฟ่คนฝังกนู้นที่เหลือแต่ที่ดินเหลือแต่บ้านแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอะไรถ้าอ่านอ่านคุรานต้องเอาอะไรนะเอาคุรานนะมาแปะที่มาแปะตัวเราอย่าไปแปะคนอื่นมองดูตัวเราเนี่ยเราปฏิบัติตามอัลกุรานหรือเปล่าหรือเปล่านะครับเอาวันนี้มาดูอายะห์เท่าไหร่นะเจ็ดบเด สุนนะท่มังข้ด้อาร์ซัลน์นะบลาค้มิรุสุลีนาะสุนนะเนี่ยอ่าแปลว่าอะไรนะแนวทางนี่คือแนวทางอ่าที่อัลลอฮ์ให้นบีประมัดอพยพยจากนครมกกะกาแล้วให้ชาวมกกะกานั่นแพ้สงครามให้ชาวมกกะกานั่นตายให้ชาวมกกะกานั่นอดอะไรนะ แห้งแรงตั้งหลายปีแล้วให้ชามักการนั่นถูกนบีเข้ามายึดอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเสียหน้าทั้งหมดนั่นแหละถามว่าแผนแบบนี้แนวทางแบบนี้เป็นของใครเป็นของอัลลอ์สุนน่าจะนี่แหละแนวทางนี้แหละนี่คือแนวทางสุนนะแปลว่าแนวทางแนวทางของเราก็แนวทางของแนวทางของอัลลอ์ กับแนวทางของกระซูลไม่เหมือนกันนะแนวทางของอัลลอฮ์เนี่ยซุนหน้าของอัลลอฮ์กับซุนหน้าของนบีไม่เหมือนกันซุนหน้านาบีเนี่ยต้องนำอํำเอาไปปฏิบัติซุนหน้านาบีมีอะไรบ้างขอทีมกูอ่านนิย่าหนึ่งอธิบายไปยุซุนหน้านาบีก็คือการปฏิบัติของนบีเรียกว่าซุนนะสอง นบีปฏิบัติการพูดของท่านนบีเป็นสุนนะการปฏิบัติของท่านนบีเป็นสุนนะแล้วก็สวามีนบีปฏิบัตินบีเห็นนบีไม่ได้ไม่ได้ห้ามเป็นสุนนะนบีนั galaxies, player, ่งชี past, Spring, ่การนั่งชี่เป็นสุนนะนบีเอาเท้าขวาเข้ามัสยิดการเอาเท้าขวาเข้ามัสยิดเป็นสุนนะจะเข้าห้องน้ํานบีเอาเท้าซ้ายเข้านั่นเป็นสุนนะ สุนนะนบีเนี่ยต้องนํามาไปปฏิบัติแต่ท่านคนที่นํามาสุนนะนบีไปปฏิบัติคนนั้นได้รับบราระกัดได้รับความจำเริญในชีวิตของเขาถ้าภรรยาเอามาใชา้ภรรยาก็ได้รับบราระกัดจากอัลลอฮ์ถ้าลูกนําเอามาใชา้ลูกก็ได้บราระกัดจากอัลลอฮ์สุภาหนะหัวตาลาถ้าปฏิเสธสุนนะนบีรอเธอรออัลลอฮ์เล่นงานสมัยก่อนกับสมัยนี้เล่นงานไม่เหมือนกัน สมัยก่อนเนี่ยเช่นสมัยอะไรสมัยนบีบรอฮีมนบีนัวอลัลลอฮ์เล่นงานเป็นจมามาอะไรเป็นเป็นกลุ่มเลยทิ้งล้านคนแสนคนหมื่นคนฆ่าให้ตายหมดแต่ในปัจจุบันนี้อลัลลอฮ์เล่นงานตัววันวันใบวั น, ว น, วนทีละคนละคนละคนละคนละคนละคนฉะนั้นคนที่ปฏิปเสธสุนัขนบีที่ระวังนะอลัลลอฮ์เล่นงานหมดตัดชาหรือไว้เท่านั้นเอง เล่นแบบไม่รู้สึกตัวแบบชาวมากักกะเนี่ยถูกงแพลสงครานเสียหน้าน้อยไปเลทหารเท่าไรสามพันนบีสามร้อยที่ถ้าคิดตรงนี้โอ้โหเรานี่เสียหน้าเยอะนะถามว่าเสียหน้าเพราะอะไรก็เพราะเราปฏิเสธมุฮัมมัดไงเราปฏิเสธไล่ไล่ซุนนะนาบีไล่นบีออกเหมือนกันไล่ซุนนะออกจากหมู่บ้านใช่หรือไม่ใช่วันนี้นบีไม่มี แต่สุนัขนบียังคงเหลืออยู่ใช่ไหมร้นบ้านใดหมู่บ้านใดปฏิเสธสุ น, นัขนบะีรอเถอะเดี๋ยวกันเล่น ก, กันเล่นงานนี่รวมไปถึงพวกเราที่อยู่ตามชายคลองอะ่ะละน้ำมันเ็นเหม็นๆอะแล้วก็เหม็นเข้าบ้านเราอะ่ะนี่ก็อาสาบชนิดหนึ่งรวมไปถึงพวกเราที่อยู่ตามชายแม่น้ําอ่ะในแต่บังกอกน้อยไลยแถวโน้นอะคลองๆเหนะ็นไหมน้ามันท่วมอะ สปีสปีโผล่มาเทนึงอะไรเงี้ยนี่ก็อากาถ้ทวาราวรู้สึกตัวไหมล่ะส่วนใหญ่ไม่รู้สึกตัวรวมไปถึงน้ำเนี่ยฟลักเมื่อสองปีก่อนใช่ไขังที่อยุธยาสองสามเดือนจนกทั่งน้ำเหม็นเน่าอ่ะนี่อากาบทั้งหมดแผ่นดินไหวอากาบทั้งหมดแต่ว่าคนที่รู้ตัวนี่ เขาเอาการแผ่นดินไหวนั้นมาพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวตัวเองพัฒนาลูกตัวเองให้เข้าใกล้สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์มุสลัมส่วนสุนนะตุลลอกับสุนนะตุลรอสูลไม่เหมือนกันนะสุนนะตุลลอเนี่หมายถึงการลงโทษของอัลลอฮ์สุนนะตุลรอเนี่หมายถึงว่าแบบอย่างของอัลลอฮ์ก็คือใครที่ไม่เอาสุนนะนาบีฉันเล่นงานเขา แต่ซุนนร์ระซูนเนี่ยมีไว้เพื่อนนำเอามาใช้แต่ซุนนาตุลลอน้นคนที่ไม่เอาซุน น, นานบีอัลลอ์จะเล่นงานลงโทษคนเหล่านั้นทีละคนทีละคนทีละคนทีละคนทีละคนทีละค น, ะคนเอาอัลลอฮ์สอนว่าไงครับซุนนาตะมันก็ดอาร์ซัลนะกบละกกามิรุซูลีนา นี่คือแนวทางของผู้ที่เราได้ส่งมาก่อนเจ้านี่แนวทางอย่างนี้เนี่ยอลัลลอฮจะเคยส่งมาแล้วมาจะเคยทาลายคนมาแล้วในยุคก่อนๆ น, นั้นพี่น้องก็ น, นึกภาพออกใช่ไหมล่ะคนที่ไม่เอานาบีนววเป็นไงคนที่ขึ้นขึ้นเรือนบีนวัวมีกี่คนประมาณแปดสิบคนไลไอคนที่ไม่ขึ้นเรือนะ่ะรอดหรืออยู่ตาย ดิง่งาซุนนาะกรลอเน่ซุนนากราอัลสลนาะซุนนาแบบนี้กับการลงโทษแบบนี้เนี่ยเราเคยจัดการกับคนที่มาก่อนหนะ้าท่านนบีมุฮัมมัดมาแล้วอ้าวมาดูอีกนบีมูซาฟาโรไม่เอานบีมูซาเป็นไงตจมน้ำตาใช่ไหมใช่พวกอาสมุธที่ไม่เอานบีซอเลเป็นยังไง ให้ลมพัดมาฝนตกหนาเย็นจกนกระทั่งตายนี่เป็นซุนนะของใครของอัลลอฮ์ซุนนะตุลลอห์เป็นซุนหน้าของอัลลอฮ์แต่ซุนหน้าของนบีเนี่ยการกินของท่านนาบีนํำมาไปใช้การเดินของท่านนาบีนําเอาไปใช้การนับหมายของท่านนาบีนําเอาไปใช้ได้ไหมรูปแบบที่ท่านนาบีสอนปฏิเสธไม่ได้ต้องนาเอาซุนาน้าขนบีไป ปฏิบัติในชีวิตประจำวันตัวสุ น, นาของอัลลอ์นั้นรอเถอใครที่ไม่เอาสุนน า, นานบีร อ, อการลงโทษจากอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ل ى ครับวลาตะจิดุลิุนตินะตะฮวีลและท่านจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใด คืออัลล์ไม่เปลี่ยนถ้าใครไม่เอาอิสลามลูกถูกลงโทษบนดุญยาแล้วก็ถูกลงโทษอาคิระ์ะถูกไหมถูกนี่เป็นสุนนะของใครของอัลลอ์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนี่ไงแค่นั้นประเพณีปฏิบัตินี่ต้องพยายามทิ้งให้หมดต้องเอาสุนนะของท่านนาบีมากำกับชีวิตนี่โลกดุลยาใบนี้ไนพี่น้องสังเกตนะสังเกตง่ายๆนะ มันจะมีคนที่คุมโลกใบนี้เนะี่มีอยู่คนอยู่สองกลุ่มอะยฮูดีกับนาซรเนียที่มันคุมอนะมันจะคุมเรานะคุมซือ่อคุมซื่อื่อมันรับยึดหมดเลยอะแล้วก็ขาที่มันออกอะแต่ละอันแต่ละอันมาเนี่ยโอ้โหอร่อยทั้งนั้นแหละท่านคนนี่ไม่มีศาสนาเนี่ยหลงตามมันเลยจะบิดเบือนอะไรก็ใด้หมดเลยมันคุมซื่อนะวันนี้ แต่วันนี้อะไรทำแต่เราก็มีสื่อของมุสลิมอยู่นะครับก็ขึ้นมาขึ้นมาก็มาสู้เฉพาะในในในเมืองไทยะและไอ้ทั้งโลกอะ่ะ<ม>คนประชากรเท่าไหร่ก็สู้กันไม่ไดนะ้มันก็แพ้อยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องเรียนศาสนากันต้องอ่านกุมภีร์ต้องข้อใจซุนนะถึงจะยับยั้งอะไรนะไอ้ความเลวร้ายของคนยาฮูดีและนอสโลนีนะครับอา้าเราเราประนามคนยาฮูดีหรือเปล่าว่าเป็นคนไม่ดี ก็กงอ่านเดอรว่าสุรัติะไร่ที่ไม่ถูกบัยเิญว่าจะดูลินตรงนี้แปลว่าอะไรไม่ใช่ทางอื่นจากทางของผู้ที่อลัลลอ์ทรงกิ้วทางที่อลัลลอ์ทรงกิ้วกับทางที่ผู้ที่อลัลลอท์ทำให้หลงทางกลุ่มไหนอะเฮูรดีกันัสอนี้อิทธิพลมันเยอะมากเลยวันนี้ อ l l a h รู้ Allah เล่าในคัมภีร์คุณอ่านให้เราอ่านทุกวันวันละกี่ครั้งนะสิบเจ็ดเที่ยวจะเพราะธรรมะฟอร์ูนะถ้านำมาสุนนะเองก็โอ้โหเนี่ยให้เรานึกตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแผนของเราอันนี้ไม่ใช่แบบแผนของเราอันนี้ไม่ใช่สุนนะของเรานะครับอ่าสุนนะของนบีพี่น้องใครเป็นคนตั้งคําว่าสุนนะเนี่ยใครเป็นคนตั้ง Allah เป็นคนตั้ง แต่สุนนะของนบีเนี่ยใครเป็นคนตั้งนบีเป็นคนตั้งเองนบีสอนอย่างนี้อะไลกุมบิสุนนตีท่านทั้งหลายจงยึดสุนนะของฉันแล้วก็อวสุนนติ ล, ละโคลาฟาอิรอชีดินแล้วก็สุนนะของคอลิฟะมาใช่สุนนะของมัสฮับทั้งสีนะไม่เกี่ยวเลยนะคนละสมัยนะ สุน나นของคอลิฟ้าทั้งสี่คอลิฟ้นี่มาก่อนอิมามทั้งสี่หลังจากนบีเสียชีวิตท่านอบูบักมานี่ให้เราศึกษาประวัติของท่านอบูบักว่าท่านเป็นคนดียังไงให้เรานำเอาการปฏิบัติของท่านเนี่ยมาปฏิบัติในตัวเราท่านอบูบักท่านอุมัด ท, ท่านอุสมานท่านอาลีราดิยละลฮ์ฮุอันฮุมนะครับต่อมาอายที่78 أقيم الصلاة ل د ل و ك الشمس إلى غصق الليل وقرآن الفجر إن, الف إن قرآن الفجر ك ن م ش و د ا อายานี้พูดถึงเรื่องเวลานมามีคนถามอาจารย์ ในคูา่านไม่เห็นพูดเรื่องเวลานำมาตรเลยว่าต้องนำมาตรซุฮรีนะ่ะนำมาตรเมื่อไหร่นี่ไงอยายันนี้อยายันนี้แหละอัลลอฮฺเป็นหลักฐานให้ให้บอกให้รู้ว่านำมาตรเนี่ยวันหนึงหเวลาอยายันนีอ้อ่าดูคำแปลนะอาติมิสซาลา นี่อัลลอฮ์บอกกับนบีนะมุฮัมมัดเอ๋ยอตัตมิสซาลาจงดํารงการนามาดไว้จงรักษานามาดเนี่ยถ้าไม่มีนบีมาเนี่ยเราก็ไม่รู้อลัลลอฮ์สั่งเยอะสั่งนั้นสั่งนั้นสั่งนั้นสั่งนั้นสั่งนั้นแล้วก็อะไรที่สําคัญที่สุดเราก็จะสับสนใช่ไหมถ้าเราไม่อาศัยนบีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังนามาดนี่สําคัญที่สุด ในบรรดาอิบาดะทั้งหมดการถือเสือ้อดก็สําสคัญแต่ปีละครั้งใช่ไหมอากาศสําคัญไหมสําคัญแต่ปีละครั้งฮะยีสําคัญไหมสําคัญแต่ชีวิตละครั้งน้ำมาสําคัญไหมสําคัญแต่ทุกวันวันละหเวลาใช่ไหมถ้าไม่มีนบีมาอธิบายเนี่ยนึกไม่ออกอะอะไรสาคัญอะไรมาสําคัญ อาิมิสซลาจงดำรงไว้ซึ่งการนมาจงนมาให้ครบตรงนี้อธิยบายเลยวันละห้าเวลาเริ่มจากอะไรลีดูลูกิชัมซีดูลูกแปลว่าตะวันคล้อยอดูลูกแปลว่าคล้อ ย, ยให้เริ่มนมาดูลูกมาถึงคล้อยอัชชัมซีแปลว่าดวงอาทิตย์ อุล玛ตัฟซีเขา อ, อธิบายดีก็บอกว่าทําไมอัลลอฮ์พูดถึงเรื่อง ช, มชมัมชัมซูลแปลว่าอะไรนะดวงอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าการนามารฟารดูห้าเวลานี้ผูกพันกับดวงอาทิตย์ไม่ได้ผูกพันกับดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่เกี่ยวนามาโซรีผูกพันกับดวงอาทิตย์นามาอัลสีถูกพันกับดวงอาทิตย์นามาเมริบถูก ผูกพันกัดวงอาทิตย์นมาศอิชาผูกพันกับดวงอาทิตย์นมาศูโบผูกพันกับดวงอาทิตย์ผูกยังไงอ่านต่อไปลีดูลูกิชัมสิให้นมาศจงนั่งไหมจงนมาศตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลอยระหว่างตรงหัวนี่ห้ามนมาศตอนตรงหัวนี่ห้ามนมาศนบีมุ hammad อธิบายอัลลอฮ์ส่งนบีมาอธิบายไง อา้าวนมัสารตอนตะวันตงหัวได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นเวลาของใัยตอนมีอยู่สามเวลาเวลาของใช่ตอนอลัลลอฮ์ให้สร้างใช่ตอนมาอาจารยบอกว่าจะให้เวลาใช่ตอนนะอ่ไปสามรายการสามวันหนึ่งอ่ไปสามครั้งตอนไหนตอ น, ต ะ, น, น, <c oughs> นะตะวันขึ้นเนี่ยระหว่างตะวันขึ้นเนี่ยขึ้นมายังไม่พ้นไม่พ้นขอบฟ้าเนี่นะนั่นเวลาใช่ตอน กเวลาตรงหัวเวลาของไตยตอนตะวันตกดินระวางตกเนี่ยยังไม่มิดเนี่ยห้ามนมาศเป็นเวลาไตรตอนหนนมาจัน า, าราด้วยตรงหัวเป๊ะพวเนี่ยทีนี้ให้เริ่มนมาศ ต, ตั้งแต่ดวงอาทิตย์คลอยพอคลอยปั๊บไปถึงไหนอีลาหัศอก อีละก็สักินเลยจนตะวันตกดินจนพบคร่ำก็สักเนี่ยแปลว่าตกตะวันตกดินน่ะก็ท่านกลางกลางคืนมาเห็นไหมพอตะวันตกดินพาพรู้ไหมนั่นกี่เวลาแล้วสี่เวลาแล้วหนึ่งซุรีสองอัสรีใช่ไหมนี่ใครทําแบบให้เนี่ยนบีทําเป็นแบบเอาไว้โดยยิบรีเนี่ยลงมานํานบีนามาทิกะบะ น บ, บีถูกนำโดยท่านยิบรีลอะลาฮิสลามเนี่ยมา น, นำนำมาเทียนกรคือมักกะเนี่ยนะครับตกลงว่าตั้งแต่ตะวันคล้อยจนตะวันตกดินนั้นกี่เวลาเข้าอย่างน้อยสองสองเวลาผ่านไปแล้วรุ่รีกับอัลสลีพอตะวันตกดินป้าบจนกระทั่งแสงแดงหมดเป็นเวลาของมักริบกับอิชาอายาเดียวเี่ไหม เรดูร e, si e oh ูกิจกรมสีลาก็สกินเลแค่นี้เองสี่เวลาก็ไปแล้วนี่เห็นไหมความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺอับก์บัดยิ่งใหญ่เลยเลยละฟาจัดละนมาซุบั์อยู่ที่ไหนต่อไปวกุรานัลฟาจีรีคุรานี่แปลว่าการอ่านคุรานในยามฟาจัมาถึงคุรานที่นี้หมายถึงอัลสลักการนมาซุบ คำว่ากุรานเนี่ยแปลว่าอัฟลาการนมัดอัลฟาจิการนมัสารนาในเวลารุ่งอรุณอย่ากที่เรานมาัสาไปเมือง ม, มือตะกีนนี่ในตนลงว่าครบห้าเวลาอย่างครบแล้วอายะนี้บอกเวลานมาัารห้าเวลานะครับอินนกุรานัลฟาจิแท้จริงการนมัสารหรือการอ่านกุราน นยามรุ่งอรุณนั้นกานามชูเดเป็นพยานยืนยันเสมออธิบายยังไงถ้าอ่านแค่นี้ไม่รู้เอ๊เป็นพยานยืนยันคำอธิบายก็คือว่ามีมลาอิกาสองกลุ่มมามีมลาอิกาสองกลุ่มมีมลาอิกะสองกลุ่ม ยตาอาอบูนาฟกุมาลาเอกตุมบิลลยลวมาลากตุมินนฮารีมาลาเอกตุนนฮารลาอกาตุมบิลลลาลาเอกเวนกลางคืนกับมาลาเอกเวนกลางวันมาพบกันในเวลาลสุโบนขณะนี้มาลาเอกามาอยู่เต็มมละเีนี่สองสองสองะไรนะสองกะมาลาอกาสองกะมาพบกันในในที่นามาดของเรา ในที่มัสยิดของเราเนี่ยเอามาเิก้ามามากี่องอ่ะเอาวะมามาสองกลางคืนสองกลางวันสองของใครของมันนะเนี่ยมันนั่งเต็มเลยมาเิก้าเต็มเลยเรามาคนเดียวมาเิก้ามาสี่บางรางานว่ามาหกเอาวะมามาสี่ก็แล้วกันเรามาคนเดียวมีมาเิก้าสี่มาพบณที่น้ำมาศูนย์เราในนมาศูนย์าวันน้อยแต่คนน้อยอ่ะ ถ้าที่มาการนะ์นคนเป็นล้านก็มีเพิ่มไปอีสีล้านนะคิดเท่าไรถ้าเห็นมาลายการ์นะมาไมจุเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณ อ, อัลลอฮ์เนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ให้ผ่านนาบีนบีก็มาเล่าต่อไงอะยะตาอ่กอบูนะ่ะมีมาลายการ์สองกลุ่มภาคกลางคืนกับภาคกลางวานันกะกลางวันกับกะกลางคืนมาเข้าเวนตอนเวลานาะมาตสุไปนี่ไงมัสฮูดะมาลายการ์สอเป็นพยาน มัชชูดแปว่าทรงเป็นพยานมาลิกากลางคืนก็จะออกแล้วสิมาลิกาเช้าก็มาพบกันแทนที่นามาในตอนเวลานามาซุเบกจะเข้ากะก็มาพบกับเวนของกลางคืนพอพบปะภาพจะมากมาลิกาเวนกลางคืนขึ้นข้างบนเนี่ยอัลลเล่าให้ฟังนะเรื่องความลับที่มองไม่เห็นด้วยด้วยสายตาเนี่ยขึ้นมาข้างบนพอไปข้างบนอัลลอฮ์ถามบอกว่า นี่ะดิสมีถามว่าไงนะฝายรูจ้จูมีเวลานอยจุดเอานีฟีโซลาติุ่ฟลาติอัสรมาพบกันสองเวลาเวลานามาซโบกับเวลานามา อ, อัสตรีมีสองเวลาซึ่งเราได้ยินกันมาอย่างนี้จะยินเสมอแต่หลักฐานชัดเจนในตับสดอิมโนกเสดในห ล, หลายเล่มนะ ฟายาอูยุลละรีบาตูฟีกุ่มคนมาลาิกาที่อยู่เวีกับท่านในเวลากลางคืนพอพบกับมาลาิกาเวีเช้าเวกีกลางวันก็ขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ฟายัสอาลูฮุมรอบบูฮุมวาหัวอาลาโมบิกุมไกฟัตตรักตุมไอบาดีนี่ภาษาอาดีสอัลลอฮ์ถามแต่อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วแต่ตะถามไงถามถามาลาิกา ตอนท่านมาในบาวของฉันทำอะไรอลัลลอ์น่ะรู้อยู่แล้วทำไมถึงถามอ่ะเพราะมาตอนวันที่อลัลลอ์สร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยมาลอิกาเคยบอกว่าอยาอาลัลลอ์สร้างอาดัมมาทำไมให้มาทะเลาะกันรเร อ, อะ อ, อลัลลอฮ์อนาอัลลมูฉั น, นรู้ดีกว่าเลยถามให้รู้ที่ท่านติงติ ง, ตงเอาไว้นันไม่ใช่นะ ไม่ใช่ว่าคนนั้นจะเลวหมดนะคนดีมีไหมมีคนที่มานะี่ยหมาสเรามีไหมมีคนนอนหลับมีไหมมีคนเมามีไหมมีอยู่ข้างนอกอะนอกสุราบ่ะแต่ไม่ใช่คนทั้งหมดเป็นคนเลวเป็นคนดีก็มีได้ถามมาเลกามาเลกาตอนที่คุณมาในบ่าของฉันทําอะไรอมาเลกาตอบไงครับอาใจหน้าหุ้มวัวหุมอยู่ซอนลูนตอนฉันไปหาเขาตอนเย็นวานนี่นะ พบเขานมาตอัสรีตอนออกมาหาท่านเนี่ยก็พบเขานมาตสุโบอาหัมดุลิละวัตรกนาหุมว่าุมอยู่ซอนลูนเราทิ้งเขามาขณะที่เขากำลังนมาตสุบบตอนจากเขามาเมื่อวานจากเขามาก็ตอนนมาตอัสรีนี่ไงมาเลยกาแจ้งให้อัลลอฮทราบบนชั้นฟ้าไปด้วยกันละฉะนั้นกุร an, อาณาญานี่ เตือนเราใหรู้ว่านมาต์ขาดได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอสั่งอัติมุสอลเป็นอะไรนะเป็นแฝนอามัดจงปฏิบัตินี่อัลลอสั่งกับนบีวันนี้เราอ่านครูอานอนยานี้อัลลอสั่งใครสั่งเราอัติมุสอลลจงดำรงไว้ซึ่งการนมาต์แล้วก็นมาตย์ยังไงลีด mm ีดูลูกิชัมสิตั้งแต่ตะวันพอเริ่มตะวันคล้อยให้นามาต นมาดเรื่อยไปอิลาวาสกิลไลจนพบคำ่ำวกุรอานัลฟารจรีและการอ่านคุรอานหรือการอ่านยามรุ่งอรุณมาชุด ก, การนมาดสุบอในตอนเช้าตกลงว่านมาดมีครบห้าเวลาแล้วน ะ, ะต่อมา อินนกุรอ็นฟะจรแท้จริงกนนารนมาสยามรุ่งอรุณนั้นเป็นพยานยืนยันเสมอใครมายืนยันมาละอิกะสองกลุ่มมาเป็นพยานยืนเรายืนยันเรานี่พี่น้องนมาห้าเวลาเนี่ยถูกเก็บไว้ในสี่แหลงนะแถวนมากันเนี่ยห้าเวลาเนี่ยถูกเก็บไว้ในสี่แหล่งนะ แหล่งที่หนึ่งมาเลกาเนี่ยแหล่งที่สองบันทึกของมาเลกามีอีกแหล่งที่สามแผ่นดินเนี่ยยาุมะอิรินตุฮั ด, ดีสุอัคบระรฮ์แปลว่าอะไรวันเกียรมะอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินเล่าเรื่องของเราแหล่งที่สมแหล่งที่หนึ่งที่มาเลกาแหลงที่สองเอกสารที่มาเลกาบันทึก แหลงที่สามแผ่นดินแหลงที่สอเลยอมานักติมว่าเราจะประทับตาไม่ให้ปากของเรานี่พูดว่าให้ไรให้มือพูดและให้เท้าเป็นพยานนั่นแหล่งที่สี่แค่นั้นมาลยอีกะแหลงหนึ่งแหล่งที่สองเอกสารแหล่งที่สองแหล่งที่สามแผ่นดินแหลงที่สี่ย 1, 2, อ, ส 2, 3, 4, อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าอัลลอ ไม่เล่าเรารู้ไหมไม่รู้เป็นความลักทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นความดีที่ท่านพี่น้องทําถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยไม่หายไปไหนแล้วแต่ความชั่วล่ะ <c oughs> ความชั่วมันก็ถูกเก็บเหมือนกันอาจจะนี่แต่หายความดีเราเราผัวพวมจะลบไม่ลบเราสัญญาไว้ฉันไม่ลบฉันไม่ลืม ถ้าเป็นความชั่วเราก็กลัวเหมือนกันในวันเกีมอาอ่ร้อแฉหน้าแตกเอาทำไงถ้ามีความชั่วเยอะๆต้องอร้ายเตาบ้าตัวต่อ อ, อ่อนพอตา บ, บ้าปั๊บหมดเลยไอ้ที่ซีแรงที่บันทึกบันทึกไว้เนี่ยลบหมดเลยลบลบลบลบอะไรนะดิลิทนะดิลิทใช่มอ่าดลทดลทดลทดลทเอาต่อมาครับ <c oughs> ตกลงว่า มลายิกากลางวันมลายิกากลางคืนมารวมตัวกันใช่ไหมนี่แหละเห็นไหมพี่น้องถ้าไม่อิหมานเราเพิ่มขึ้นอัลลอฮฺว่าการจะทำมาต้องนึกนึกถึงมลายิกาที่อยู่ในตัวเรานี่แหละนะต่อมาอายาที่79วามินัลไลลีฟาตหัจัดบิฮีนาฟิลัตัลักวามินัลไลลีแปลว่า ส่วนหนึ่งของกลางคืนมินแปลว่าส่วนหนึ่งะส่วนหนึ่งของกลางคืนอัลลอฮ์นี่เล่าให้ฟังคุณอ่านสั่งนะฟะตาฮัดยัตท่านจงตื่นขึ้นส่วนหนึ่งของกลางคืนเนี่ยให้ตื่นมาใช่ให้นอนตลอดอธิบายยังไงอัลลอฮ์พูดในคัมภีรุณอานแล้วให้นบีมาสอนต่ออีก น บ, บีพออธิบายว่าคนที่นอนตลอดคือใส่ตอนใครที่นอนตลอดทั้งคืนอัลลอ์ให้ไสตอนชฉีใส่รูหูฉีใส่ตาสีฉีใส่จมูกพอพอตื่นมาตอนตีสองมาฉีแล้วนอนต่ออีกเยดี๋ยวก่ววววอนอีนิดก่อยอีงีบเนี่ย น, นั่นภาษาไสยตอนทั้งหมดเห็นไหม ถามว่าลุกขึ้นนะมาตอกนกลางคืนา ง, งานหนักหรืองานเบาบหนักหนักหรือเบาหนักถ้าไม่ฟังศาสนาเลยขึ้นไม่ได้หรือฟังแล้วถ้ามเมียไม่ช่วยก็ลำบากการลุกขึ้นนะมากลางคืนไม่ใช่งานเบาพีอนอ่น้องนักลุกขึ้นมาฉีมามองรถรถอยู่ ทีวีอยู่มีอยู่อ่านห้ามลดยแล้วแต่นามายูหรือเปล่ปาเฉยๆแต่ให้วัตถุที่ฉันครอบครองอมีรถอยู่มีประตูไม่ได้เปิดขโมยไม่ได้ขึ้นอ่านล้ลามโดยแล้วทําไงนอนต่อมาฉีแล้วนอนต่อคนเปรี้ยวหวานตื่นสีเที่ยวในท่านลุกขึ้นมานามา น, นะอ ล, ล๋อจะสง่า ง, งามแค่ไหนแค่ถ้าไม่ฟังศาสนานะนมานไม่ลง ซะได้มันลมาทมมาําไมแล้วมาได้อะไรผลบุญอรรย์ยัไม่ให้เห็นบนดวงยางยังไงพี่น้องมองไม่เห็นเลยผลบุญนมาตะหัดจุดได้ยังไงอลรรย์สอนต่อไปฝาตะหัดจุดบีท่านจงตื่นขึ้นนาฟิลัดละนี่ไงนาฟิละเ น, น, นี่ยนมาสมัครใจอ่านาฟิละมันมีนาฟิละกับฟัรดูใช่ไหมถ้าฟารดูในห้าเวลา แต่ถ้านาฟิลาเนี่เป็นการนมัสมัครใจอัลลอฮ์อะไรที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะเรื่องใหญ่หมดนะอย่ามองเป็นเรื่องเล็กนะอะไรที่อัลลอฮ์พูดนะคัมภีร์กุรอานให้เราอ่านเนี่ยเรื่องใหญ่หมดเลยฉะนั้นนมางคังคืนเรื่องใหญ่ไหมใหญ่ผลบุญเยอะอ่าผลบุญได้อะไรครับอาซาคำว่าอาซาเนี่แปลว่า หวังว่าคำว่าหวังว่าในทับซส็อธิบายว่ายาตีนั้นแน่นอนเป็นเรื่องจริงอาซาไม่ใช่หวังว่าหวังแบบลอยๆนั่นไม่ใช่หวังแบบมั่นใจว่าได้แน่ๆอัลลอฮ์ให้แน่ๆอาซาในคัมภีกุรอานจะไปเจอเยอะอาซาอาซาอาซาอาซาอาซาอาซาแปลว่าแน่นอนแน่นอนได้แน่ๆได้รับดังวันตอบแทนเจออัลลอฮ์แน่ๆอยยบาซากะ Allah ลลจะยกท่านใครยกรบบูกาพระผู้อภิบาลของท่านจะทรงให้ท่านอยู่ไหนจะยกท่านมาก็มันแปลว่าตำแหน่งจะยกนบีมวฮัมมัดนั้นจะยกตำแหน่งนบีให้สูงมหมูเดตำแหน่งที่ถูกสรรเสริญอธิบายยังไง ตำแหน่งที่ถูกสรรเสริญอธิบายอย่างนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้นบีมุฮัมมัดคนเดียวคอยชาฟาชาฟาหมายถึงช่วยเหลืออนุเคราะห์คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในโลกอาคิรักไปหานาบีอื่นนบีอื่นอัลลอฮ์ไม่ให้สิทธน่ะ แต่สิทยอยู่ที่นบีมูฮัมหมัดคนเดียวที่จะชะฟฝะช่วยเหลืออาเช่นยกยกตัวอย่างแต่จะช่วยเหลือใครนะ่ะคนที่นมาดด้วยกันนะคนที่ไม่เคยนมาจะหัดยุดเลยระวังต้องนึกคนที่นมาท่าเวลาที่มาตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยตะตะวันตกเนี่ยห้าเวลานมาให้ครบเสร็จแล้วนมาจะหัดยุดด้วยนี่นะอัลลอฮฺจะให้นบีมูฮัมหมัดนั้นมาชฝะคนเหล่านั้น ช่วยได้เยอะเลยชุดยกตัวอย่างความดีกับความชั่วมันเกิดเท่ากันทั้งหมดมีอยู่สิบรายการนะแต่คงไม่มีเวลาพูดวันนี้หละสิบรายการในในฮัดี้ไคหมาบุคอรีฟัตฮุลบารีอธิบายไว้อัลลอฮ์ให้นบีชัฟฟานะสิบรายการนะแต่จะไล่ารายการเดียวพอถ้าหากความดีความชัวม่วของเรามันเกิดเท่ากันจะไปไหนลนะ่ะ ไปนรกขึ้นหนึ่งสวรรคขึ้นหนึ่งใช่ไหนะ่ะถ้าเราคิดเองอะนะอัลลอฮ์จะให้นบีมุฮัมมัดไปไปไปหานบีมุฮัมมัดให้นบีชัฟฟะฮ์ให้ช่วยให้จะ อ, อัลลอฮ์ช่วยคนนี้เข้าสวรรค์ น, นอนนี่เป็นต้นจังครับวันก่ยามันวันใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่มากเลยไปนะ้องคนเราหนที่สุด <c oughs> ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดจะช่วยได้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะ ชาฟะกุบรอกุบรอแปลว่าใหญ่ชาฟะกุบรอเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือนบีมุฮัมมัดจะช่วยพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลความเชื่ออันนี้ยุมหฮูเลอุลามะอุลามะทั้งหมดเชื่อตรงกันซาบานบีก็เชื่อแบบนี้และตาบัีน คนที่ไม่เคยเห็นหน้านาบีแต่เห็นหน้าสหาะก็เชื่อแบบเดียวกันนะครับอาพี่น้องนมาตะฮัดยุศเนี่ยไม่ใช่เป็นฟรัรดูเป็นอะไรนะเป็นสุนัตนาเป็นสุนัตนะคเรียกว่านาฟิลหรืออีอย่างหนึ่งเรียกว่าสุนามอักกาดาก็ได้นบีเน้นเน้นปฏิบัติเพราะว่าทำให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคง ตำแหน่งอัลล์ะจะยกตำแหน่งคนที่นมาตะฮัยุสเียให้สูงส่งใช่ไหมนบีนแน่นอนไ อ, อย้ยาพวกเราเนี่ยอลัลลอ์ก็จะยกให้ตำแหน่งเนี่ยสูงส่งหัวใจเรามั่นคงต่ออัลลอฮ์สุบฮานวตะแลนมาตะฮัยุดไม่กี่ระกาศ น, นมาตะฮัยุสไม่กี่ระาศคำตอบอยู่ในะดี อ, อิมามบุคอรีทั้งหมดถ้ายิงอาอิชารายงานอิมามบุครีอธิบายว่า ท่านยิงอัยาบอกว่านาบีเนี่ยไม่เคยนมาตนอกเดืรรดอนอัมรัดหรือในเดืรรดอนอมรัดเนี่ยไม่เกิน13รสาะกอัดอธิบายยังไงคำวาสิบสามแปดะกอัดเป็นนมาตตาฮจุดถ้าในเดืรรดอนอัมรัดเรียกว่านมาต์ตะเราวิแปดละกอัดนะนอกเดืรรดอนอัมรัดเรียกว่าอะไรนะตาฮจุดหรือว่ากิยามุเลลนมาต์แปดะกอัด พอ8เสร็จแล้วเนี่ยนามาตวิเตศอีกเท่าไร8 9ด1 11นามาวิเตศอีกส8 9 10 11กบ็่อนนบีนามาส13นะและอีกสองเร า, เราก็อา่านนามาตสุนนะก่อนนามาตฟัจัสนบีแสดงว่านบีเนี่ยนามาใกล้ๆจะหมดเวล า, า, ววลาใช่ไหมยต่ตอนนี้มันอาจารย์ตีสี่เท่าไหร่ กี่สีครึพัตตีสนบีจะเริ่มนมาดละหือนมาดจังกตีสามมาก็ได้และพอใกล้ๆกัตตีสี่ยนบีก็จะนมาดอะไรนะนมาดนมาดวิเตสอ่าสรมละอัดพอให้สลามจบแป๊บหนึ่งสักสองสามนาทีไซนามักตูมอะไรอ่ะอุมุบักตูมอาจารย์พออาจารย์นมาดซูโบเสร็จปั๊บนบีนมาดอีกสองละกอัดเป็นนมาดระซุนนา กอบเลียะก่อนนำมาซุบสองรักอัดรวมแล้วเป็นสิบสามรักษาดแต่ถ้าหาวเราจะ น, นำมาท่าวานำมาตะหัดยุทธเนี่ยเริ่มกันแต่เมื่อไหร่นอนก่อนดีนอนก่อนแล้วตื่นมาดีแต่บางคนเนี่ยมันนอนไม่หลับมีไหมมีตีหนึ่งตีสอง น, ะนอนไม่หลับนำมาได้ไหมได้ นมาตหัดยุทธเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลังนมาอิชาเรื่อยไปนมาอิชาป้าจบแล้วก็นมาตนี่อยา่างเช่นเดือนละมดอนใช่ไหนมาตะระวีนั้นแหละเหมือนกันนมาเรื่อยไปเลยจนกระทั่งดึงๆดืดเลยก็ได้ไม่มีปัญหาฉะนั้นการนมาตหัดยุทธเป็นนาฟิลไม่ใช่บังคับเป็นให้ดูวยความสมัครใจแต่ผลบุญเยอะไหมผลบุญเยอะอะไรอายะบะอัซการอบุกามกอมมัมมัฮมูดะ อัลลอจะยกตำแหน่งของท่านเนี่ยให้สูงส่งนะในวันตียมะจะได้รับการชาอาจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม i อธิบายอย่างนี้อนาสัยยดูวะดัตอาดัมนบีพูดบอกว่าฉันนี่นะในวันเตียมะเนี่ยเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในบรรดามนุษย์ทั้งหมด มุ h ัม m a d เป็นคนสำคัญคนหนึ่งว่าอวัลดูไม ย, ยันชักกูอันุลกับรุยามันติยามะเรื่องที่สองนบีมมั a เป็นคนแรกที่จะฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพพวันกิยามะมาเนี่ยคนที่ออกมาจากใต้ดินใครนบี ม, ม, มุั a m สังเกตเป็นนบีท่านสุดท้าย ตายหลังสุดใช่ไหมหลังจากนบีอีสาใช่ไหมแต่เวลาฟื้นเน่ยใครฟื้นก่อนนบีมุฮัมมัดฟื้นก่อนนี่อ oh ัลลอ์ให้เกียรติเล่าให้ฟังเลยฉันจะให้นบีมุฮัมมัดนี่ฟื้นก่อนต่อมาครับว่าอัลวาลุชาเฟียฉันนี่เป็นคนแรกที่จะเป็นผู้อนุเคราะห์คนโอ้โหและผู้ที่ การขอถ่ายแทนจะถูกรับก็นบีมุฮัมมัดเนี่ยว่าอนมัฟฟคนมาชฟฟะกันเยอะแต่ไม่มีใครอรไม่รับแต่คนที่รับก็คือนบีมุฮัซลลอเลยบรสันดดั้เราต้องสวนลวนบีเยอะๆวันศุกร์เนี่ยอัลลอฮุมุลลอลอมุฮัมมัดวะลอลมุฮัมมัดกามาสลอีตลาอยิบนี่ยสลวนบีไม่ใช่สละลอะลันันมสุนนบี นี่สลวานบเานั่งอะไรนะนั่งนมาอัตียานี่นสลวานนบีทั้งหมดเนี่ยให้ทำนะครับไม่สลวานนบีอายสุดท้ายนะครับอายุที่แปดสบกุรอบอดะิลนมุดะกาลาดิวและฮริจนมุขรจาซิดวะจัลลิมิลลาดุงกัสุลตานันนาซีรอ จงกล่าวเถิดโมหัเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้นบีขอ อ, อุดมอ่าน ก, การขอดุดอานี่เป็นเรื่องดีขอเถอะนะเราก็ขอถ้าต้องการก็ขออัลลอฮ์สอนนับบีขอดุดมอว่าไงรอบบีพระผู้อภิบาลของฉันเอย๋ยอาดัชลนีได้ทรงโปรดนำฉันเข้ามุดขอลาเซธ ด, ดกิน ตามทางเข้าที่ชอบทำขอให้เข้านะขอดธอฐานต่อรอบโปรดโอ้อลพ่อพ่อชันเอย๋ยโปรดนําฉันเข้าโปรดนําฉันเข้าทางเข้าที่ชอบทำยังไม่ได้ออกเลยเข้าแล้วเลยปัญหามีอยังไงเนี่ยเป็นอุลมะเขาสอนให้คิดนะทาไมขอให้เข้าแล้วยังไม่ได้ออกเลยเข้าไ ป, า ไ, ปไหน รู้ไหมเข้าทีนี้หมายถึงเข้านครมดีนะออกจากนครมักมกะอายาที่ที่จะผ่านมาอุมุสลิกจะมาถูกไล่นะเบียถูกไล่ใช่ไหมพอนบีถูกไล่ปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ไม่พูดว่านาบีจะต้องออกแต่พูดเรื่องเข้ามาดีนาก่อนต้องการจะพูดให้รู้ว่าต้องการจะบอกให้รู้ว่าไม่อยากจะออกจากนครมักมกะเลย เพราะเป็นบ้านเกิดของนบีนบีไม่อยากจะออกเลยพูดเรื่องข้าวก่อนโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันเข้านาครมาดีนะเข้าแบบสง่างามพอเข้าไปแล้วผู้คนรับนับถืออัลอิสลามเป็นห่วงแค่นั้นเด็กปัจจุบันเนี่ยพูเราปัจจุบันเนี่ยจะเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามมีโลตัสเปล่าวมีอะไรนะเซเว่นอีเลฟเว่น จะมีได้รอีกที่ซื้อสะดวกซื้อใช่ไหมแต่ของของของนบีไม่ใช่อย่างนั้นของอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นเอานาบีอิบรอฮิมเอาภรรยาไปทิ้งที่นครมักกะถามว่ามีโลตัสเปล่าไม่มีมีกาบาอยู่ตรงนั้นน่ะมีใครรู้ไม่มีใครรู้ชาวบ้านไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้ก็เอาภรรยาของอิบราฮิมไปวางไว้ที่นั่นกบาบา แล้วันนี้เจริญอรอยอย่างดีเพราะผู้หญิงแท้ๆเลยใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เหมือนกันเหมือนกันนบีมุฮัมมัดนี่หลังจากนางฮะซักนะออกจากนาครมักกะไปอยู่ที่นครมดีนนะแต่อัลลอฮ์มาให้นบีพูดเรื่องมักกะแต่พูดเรื่องมดีนนะก่อนต้องการจะบอกว่าจากมักกะเนี่ยไม่อยากออกเลย ในเมื่อจะเป็นต้องออกก็พูดอะยรอัลลอฮ์ขอให้ชั้นเข้านครมาดีนะ่าแบบไรนะ้น่าแบบสง่างามเข้าแบบไรนะแบบชอบธรรมวาอัคริญีและโบทําให้ฉันออกมัคคารยาสิดกินตามทางออกที่ชอบธรรมพูดเรื่องออกที่หลังพูดเรื่องเข้ามาดีนะก่อนทําไมอธิบายอย่างไ้ เพราะว่าในใจลึกๆไม่อยากจะออกจ า, า ก, กนครมักกะเพราะเป็นบ้านเกิดมีกะบะอยู่ตรงนี้ไม่อยากออกเลยใช่ไหมนบีจะเป็นต้องออกเลยพูดเรื่องเข้าก่อนเรื่องออกพูดทีหลังนี่คำอธิบายนะครับว่าจะอัลลีมิลลุดุงกัสุลตานันนาซีรอและได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีอำนาจที่เข้มแข็งเไห ขอดุอาต่ออัลลอ์อัลล์สั่งให้นบีขอดุอาให้อัลลอ์ประทานอำนาจให้กับนบีมูฮัมมัดอำนาจที่นี่ไม่ใช่อำนาจทางอาวุธนะอำนาจทางใจให้หัวใจเข้มจะถูกรังแกแค่ไหนอย่าท้อใช่หรือไม่ใช่วันนี้เราต้องการเงินเงินบ้านที่ดินทางใจมันไม่มีไม่ดีสยอย่างมีประโยชน์อะไรใช่ไหม ฉะนั้นอัลลอฮฺสอนนบีมุฮัมมัดเอ๋ยขอความเข้มแข็งจากอ um oh ัลลอฮฺอัลลอฮุมาสับบิดกอลบิอาดาดีนนการวาระตออาทิตโอ้อัลลอฮฺโปรดทําให้หัวใจของเราเนี่ยเข้มแข็งอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺโดยเถิดหัวใจสําคัญที่สุดถ้าหัวใจดีสักอย่างหนึ่งกุศลทุกอย่างอยู่ใต้คอนโทนรลหมดเลยถ้าใจไม่ไม่ดีจบเงินนําหน้าเงินคุมผู้หญิงคุมบ้านคุ้มไม่ไหม ท่าน้งหากอีมานเราดีมั่นคงอัลฮัมจะดิลลยมีอุลามะอธิบายต่อไปอีกนะคำว่าอาดคิลนีนีเนี่ยเวลาฉันตายให้เข้ากูโบแบบอะไรนะให้เข้าไปอยู่ในสุสานแบบสง่างามอัลลอฮ์งั้นเราต้องนึกวันนี้นะเราคงจะเข้าไปอยู่ใน น, น, นครมดีน่าไม่ได้แล้วแหละมันก็ให้วีซ่ากี่วัน ยังน้อก็30สามสิบวันอยู่มักกะอยู่ม ด, ดินากกเชิญกลั บ, บออกออกออกออกอยู่มักกะม ด, ดินาหมสิทธ์ก็ขอเวลาขอดุอาขอให้ข้าวไปอยู่ในกูโบไปนอนอยู่ในกูโบแบบไม่ต้องมีการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานหาหูวาตาลาถ้าทำไงทำความดีอย่างเดียวไม่พอต้องขอดุอาด้วยยาอัลลอ อดคินนีมุดขลสิดกินให้สันนอนอยู่ในกูโบเข้าไปอยู่ในกุโบแบบสง่างามวัครินกินวันฟื้นคืนชีพออกจากกูโบไปที่ทุกมาชัดก็อยู่มีฟื้นคืนชีพแบบสง่างามเห็นไหมมันจะถูกลงโทษจากอัลลอฮฺส h บฮา h ะบ a ฮฺแต่อธิบายดีไหมดีมากอุลมะอธิบายเนี่ย ถ้าไม่อ่านไม่อ่านตับเซตไม่รู้เลยว่าโอ้มัคราจัซมกินหมายถึงอะไรฉะนั้นเราก็ต้องนึกนะโอ้ลล l a h ให้ฉันตายตายแบบมีอีมา ن น, นะที่เราไปนมาดกันคืนนิสบูญชาบานว่านะหนึ่งให้ตายดีให้ตายแบบมีอีมานแล้วก็ให้ตายให้มี إ ي م านเพิ่มให้มีเงินเพิ่มไม่ต้องไม่ต้องไม่ ต, ม ต, มตมจะเป็นต้องรอปีละรั้งช้า เอาอย่างนี้ให้ทําความดีกับพ่อแม่ตัวเองเยอะๆทำความดีกับญาติพี่น้องใกล้ชิดมีอยู่สิบกลุ่มทําดีพี่น้องอัลลอฮฺจะให้อะไรนะรีสกีเพิ่มแล้วก็ให้ไรนะอัลลอฮฺอายุยืน อ, อายุยาหมายความว่าอยู่ในกูโบเนี่ยพี่น้องคนตายไปแล้วยังนึกถึงความดีของเราอยู่เลยลูกหลานจะชมว่าตัวยอดในกูเนี้ดีนะ ตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยอัลลออักบรให้ความรู้แนะนำอบรมลูกหลานให้เข้าใจศาสนาถึงตายไปแล้วคนยังช่วยอย่างนาบี m u h ้ m ม a ตายมากี่ปีแล้วน่ะหนึ่งพสี่รอปีคนยังชมเห็นไหมนบีบรอฮีมคนยังชมอยู่นบีนวัวคนยังชมอยู่ใช่ไหมนี่ไงชื่อเสียงยังอยู่แต่นะ่ตัวตายไปแล้วยางมีเป็นต้นอ้าวพี่น้องตัวลงว่า ตอนตายนะครัตายแบบมีอีมานแล้วก็มีอะไรนะั่นมีหัวใจที่จริงใจต่ออัลลอฮฺและรอซูลตอนฟื้นขึ้นมาก็ฟื้นแบบมีอีมานแล้วก็มีหัวใจที่จริงใจต่ออัลลอฮฺและรอซูลพี่น้องเอาพี่น้องหมดแล้วนะตัวลมสรุปสั้นๆก็คือว่านามาตเวลาแล้วกลางคืนนามาตาอะไรนะตะฮัดยุดด้วยพ า, าตะฮัดยุดเนี่ยมันงานหนักนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยฝึกอย่างนี้ ฝึกก่อนสักสองเดือนสามเดือนพอฝึกแล้วนี่นะความเคยชินมันจะตามมาพอเคยชินเสร็จแล้วก็รางวัลผลเบร์บุญมันก็จะตามมาตอนที่หลังคนที่เคยนมาดอยู่เป็นประจำไปน้องอัลลอฮฺว่าเวลานมาศแล้ ว, ลวตะฮัดะยะุษอย่าไปคุยพอตื่นชา้าขึ้นมาม า, มานั่งหาวทาอะไรมาก็เมื่อคืนนี่สิตะฮัดยุษเล่นงาน อ๋อต้องการจะบอกชาว บ, บ้านก็รู้ไปบอกเขาทำไมรู้ก็สองคนผัวเมียพอแล้วสามีขึ้นปุกภรรยานาบีสอนวิธีปุกภรรยาทำไงให้สกิดสกิดไม่เชื่อเอาน้ำอะไรนะเอาน้ำพรมเคยําเปล่าเดี๋ยวรอถามว่าหนะเอาสุนหขนบีประชามหรืเาเคยพรมน้ำภรรยาว่าไห่เธอแต่จะสกิดอย่างเดียว Asekit ni s a n t i <laughs> Subhanallahumma r u b i h u m dikasihillah illa anda a s t a g h f i r u l a h u adu bilaiu Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.